พระไตรปิดกฉบับประชาชนพระตรปิดกเล่มที่6อธิกรสอธิกรมีสคือ 1. วิวาธาธิกรการวิวาทกันในเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินยัย 2. อนุวาธาธิกรการโจทฟ้องกันด้วยศีลวิบัติเป็นต้น 3. อาปัตตาธิกร การต้องอาบัตและสกิจจาธิกรเรื่องที่สง์จะต้องจัดต้องทำที่เป็นสังฆกรรมครั้นแล้วทรงแสดงลักษณะของอาิกรแต่ละอย่างพร้อมทางมูลเหตุโดยพิสดารในที่สุดตรัสสรุปว่าอาิกรแต่ละอย่างจะระงับได้ด้วยสมถะคือวิธีระงับอะไรบ้างดังนี้ วิว า, าทาธิกกรการวิวาทกันในเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินยัยย่อมระ ง, งับด้วยวิธีระ ง, งับสองประการคือ 1. นระ ง, งับในที่พร้อมหน้าหรือส ม, มุขคาวินยัย 2. ระ ง, งับโดยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณคือเยผุยสิกาอนุวาธาธิกกรการโจทฟ้องกันด้วยศีลวิบัต คือความเสียหายเกี่ยวกับศีลอาจจะระวิบัติความเสียหายเกี่ยวกับความประพฤติทิฏฐิวิบัติความเสียหายเกี่ยวกับความเห็นและอาชีวะวิบัติความเสียหายเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพระงับด้วยวิธีระงับ4ประการคือ 1. ประงับในที่พร้อมหน้าคือสัมมุขวินัย 2. ระ ง, งับด้วยยกให้ว่ามีสติคือสติวินัย3ประ ง, งับด้วยยกให้ว่าเป็นบ้าคืออมูลหาวินัย4ประ ง, งับด้วยการลงโทษคือตัดสาปาปิยาสิกาอาปัตตาทิกอนการต้องอาบัตต์ต่างๆระ ง, งับด้วยวิธีระ ง, งับ3ประการคือหนึ่ง ระงับในที่พร้อมหน้าสำมุขวิไนสองระงับด้วยถือคำสารภาพปฏิญญาตกรณะสามระงับด้วยให้เลิกแล้วกันตินวัารกะกิจจาที่ก่อนเรื่องที่สงจะต้องจัดต้องทำที่เป็นสังฆกรรมระงับด้วยวิธีระงับประการเดียว คือระ ง, งับในที่พร้อมหน้าสัมมุขขาวินัยทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกรที่ชำระเสร็จไปแล้วและปรับอาบัติปาจิตตีแกภิกษุผู้ให้ฉันทะแล้วบ่นว่าในภายหลังสำหรับข้อนี้เว้นแต่อธิกรนั้นชำระไม่เป็นธรรม